เจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านว่างจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาทำความดี มาทำบุญทำกุศลมาฟังเทศฟังธรรมเพราะเชื่อว่าการกระทำเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์นำมาซึ่งความเจริญหรือความเสือ่อมไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลไม่ใช่ทรงผม ไม่ใช่ชุดเสื้อผ้าที่ใส่เพราะอยู่ที่การกระทำเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันอย่างสม่ำเสมอเพราะการกระทำจะนำมาซึ่งผลที่เราต้องการถ้าเรากระทำในสิ่งที่ถูก ที่ดีที่งามเพราะการกระทำนั้นมีอยู่สามชนิดด้วยกันทำดีทำไม่ดีและทำที่ไม่ดีทาที่ไม่ใช่ดีและไม่ดีคือเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วการกระทำมีอยู่สามแบบคือบุญบาป และไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป ก, <c oughs> การกระทำนี้ก็ทำได้สามทางด้วยกันทางกาย <c oughs> ทางวาจาและทางใจการกระทำที่สำคัญที่สุดก็คือการกระทำทางใจเพราะการกระทำทางใจเป็นต้นเหตุให้มีการกระทำการ ทางทางวาจาและทางกายต่อไปดังนั้นเราจึงควรที่จะดูการกระทาทางใจของเราเป็นหลักคือความคิดของเราเพราะก่อนที่เราจะพูดได้ก่อนที่จะทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนคิดแล้วถึงค่อยพูดคิดแล้วถึงค่อยทำ ถ้าไม่มีความคิดก็จะไม่มีการพูดไม่มีการกระทำเช่นเวลา <c oughs> คนตายไปแล้วก็ไม่มีใจอยู่ในร่างกายก็ไม่มีความคิดอยู่ในร่างกายร่างกายอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่มีใจผู้คิดเป็นผู้ <c oughs> สั่งให้พูดสั่งให้ทำนั่นเอง าความคิดนั้นก็เกิดขึ้นได้จากความเห็นสองชนิดด้วยกันความเห็นถูกกับความเห็นผิดความเห็นถูกก็จะทำให้พูดถูกทำถูกความเห็นผิดก็จะทำให้พูดผิดทำผิดนะเมื่อทำไปแล้วผลก็จะตามมาถ้าทำถูกคือคิดถูก กอคิดดีพูดดีทำดีผลดีคือความสุขและความเจริญก็จะตามมาถ้าคิดผิดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์และความเสื่อมจึงตามมาต้นเหตุของการคิดดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความเห็นความเข้าใจในเรื่อง ต่างๆว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะในโลกนี้เรื่องที่เราคิดว่าดีมันกลับไม่ดีก็ได้เรื่องที่เราคิดว่าไม่ดีมันกลับดีก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้พิสูจน์การกระทำที่เราคิดว่าไม่ดี ว่าความจริงนั่นดีก็มีอยู่เราจรึงไม่รู้เราต้องมีคนที่รู้ที่ได้พิสูจน์แล้วมาสอนเราแล้วเราจรึงทำตามแล้วเราจรึงจะพบกับความดีเพราะผลที่เกิดจากการกระทานั้นก็มีทั้งสองรูปแบบคือมีความดีที่ไม่ดีจริงและความดีที่ดีจริง ความสุขที่สุขจริงและความสุขที่ไม่สุขจริงหรือความทุกข์ที่ไม่ใช่ทุกข์จริงหรือความทุกข์ที่ทุกข์จริงความเสื่อมที่ไม่เสื่อมจริงกับความเสื่อมที่เสื่อมจริงเราถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังจากผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีปัญญาที่จะแยกออกได้ว่า อะไรเป็นความสุขที่แท้จริงอะไรเป็นความเจริญที่แท้จริงเราจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงว่าเป็นความสุขและความเจริญที่แท้จริงเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็จะทำเราก็จะพูดเราก็เราก็จะคิด ไปตามความเห็นของเราแล้วเราก็จะได้กับสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำคือความสุขและความเจริญที่ไม่แท้จริงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรฟังพระธรรมขับสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัส ความสุขความเจริญทั้งสองรูปแบบแล้วความทุกข์ความเสื่อมทั้งสองรูปแบบก็ส่งสัมผัสมาแล้วจึงรู้ว่าอะไรเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงอะไรเป็นความทุกข์เป็นความเสื่อมที่แท้จริงพระองค์จึงได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงได้หลีกเลี่ยง ความทุกข์ความเสื่อมที่แท้จริงได้เราจึงเราจึงเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราสนใจฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับประโยชน์เราจะได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงไม่ต้องพบกับความทุกข์กับความเสื่อมที่แท้จริงความเจริญ ที่ไม่แท้จริงนั้นก็คือความเจริญทางโลกคือความเจริญทางลาบยศสรรเสริญสุขเป็นความเจริญที่ไม่ถาวรเป็นความเจริญที่ต้องสูญต้องหมดไปเมื่อเราตายไปทรัพยาบยศสรรเสริญสุขต่างๆก็หมดไป นี่คือความเจริญที่ไม่แท้จริงความสุขที่ไม่แท้จริงความเจริญที่แท้จริงก็คือความเจริญที่จะอยู่ติดไปกับใจของเราเพราะเมื่อตายไปแล้วเมื่อเราตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราเดินทางต่อไป เหมือนคนที่นั่งอยู่ในรถเมื่อรถวิ่งไม่ได้ก็ต้องลงจากรถแล้วก็เดินไปหารถคันใหม่ก็สามารถเอาสิ่ ง, งต่างๆางติดไปได้มีเงินมีทองอะไรเราก็เอาติดตัวไปได้ไม่ต้องทิ้งไว้กับรถใจก็เป็นอย่างนั้นเมื่อกายตายไป ใจก็ไม่สามารถเอาสมบัติคู่กายไปได้เช่นลาบยศสารเสริญสุขแต่เอาบุญเอากุศลเอาความสุขความเจริญของจิตใจไปได้เพราะใจก็มีความสุขเหมือนกันมีความเจริญมีความเสื่อมเหมือนกันอย่างชาตินี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะใจเราเป็นมนุษย์ ถ้าใจเราเสื่อมจากความเป็นมนุษย์เวลาไปเกิดชาติต่อไปก็จะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเสื่อมเป็นเดราชฉานก็ต้องไปเกิดเป็นเดราจฉานถ้าเกิดเสื่อมเป็นเปรตก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าเสื่อมเป็นนรกเป็นสัตว์นรกก็ต้องไปตกนรกถ้าเจริญเป็นเทพก็จะไปเกิดเป็นเทพถ้าเจริญเป็นพรหมก็จะไปเกิดเป็นพรหม ถ้าเจริญเป็นพระอริยเจ้าก็จะไปเกิดเป็นพระอริยเจ้านี่คือความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะติดไปกับใจไม่ว่าใจจะอยู่ที่ไหนแห่งใดใจจะต้องเป็นไปตามความเจริญหรือความเสื่อมของใจที่ใจได้ทำไว้นั่นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเข้าหาความสุขและความเจริญที่แท้จริงแต่การที่จะเข้าหาความสุขและความเจริญที่แท้จริงเราก็ต้องผ่านความเสื่อมผ่านความทุกข์ที่ไม่แท้จริง <c oughs> พราเราต้องทำบุญให้ทานเราต้องเสียสละเราต้องรักษาศีล เราต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเข้าวัดถือศีลแปดถ้ามองทางโลกอย่างนี้ก็เหมือนกับการเสื่อมการถดถอยเพราะจะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาหาความสุขทางโลกก็จะเหมือนกับการเสื่อมถอยหลังไม่สุขไม่เจริญในเรื่องลาบยศสารเสนสุข และก็เป็นสิ่งที่ลำบากเป็นสิ่งที่ทุกข์ไม่มีใครอยากจะถือศีลแปดอยู่วัดอดข้าวเย็นนอนกับพื้นกันเพราะเป็นความทุกข์เป็นความยากเป็นความลำบากแต่ในสายตาของพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่ไม่แท้จริง คือเป็นความทุกข์เพื่อความสุขในบ้านปลายความทุกข์นี้จะกลายเป็นความสุขต่อไป จ, จึงเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่ไม่แท้จริงเป็นความเสื่อมที่ไม่แท้จริงเพราะเป็นเสื่อมจากสิ่งที่ไม่จีรังถาวรคือลาบยศสารเสริญสุขนั่นเองแต่กับเจริญกับสิ่งที่ถาวร คือเจริญทางด้านจิตใจจิตใจจะเป็นจิตที่สูงขึ้นดีขึ้นจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือเข้าวัดทาบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ได้ก็อยู่ ห, หลายๆวัน ถ้าอยู่ไม่ได้หลายวันก็อยู่เท่าที่จะอยู่ได้ถ้าอยู่ไปได้ตลอดก็บวชเลยก็ได้เพราะยิ่งจะทําให้ได้ความสุขได้ความเจริญที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> สิ่งเหล่านี้เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนเราก็จะหลงไปกับความ สุขความเจริญที่ไม่แท้จริงลงไปกับการสแสวงหาลาบยศสารเสรินสุขดังที่เป็นกันอยู่เป็นส่วนใหญ่คนเราในโลกนี้ส่วนใหญ่มักจะหาความเจริญทางลาบยศสารเสรินสุขกันทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็หาความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ด้วยไม่มีใครในโลกนี้ที่บอกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลไม่มีความวุ่นวายไม่มีความห่วงใยไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะเป็นสิ่งที่แถมมากับความสุขที่ไม่แท้จริงนี่เองเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แท้จริงเพราะไม่ได้สุขอย่างเดียว มีความทุกข์แถมมาด้วยแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนั้น <c oughs> เป็นความสุขที่มีความทุกข์ที่ไม่แท้จริงแถมมาด้วยเช่นเดียวกันแต่ความทุกข์ที่ไม่แท้จริงนี้จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้พบกับความสุขที่แท้จริง มากขึ้นไปเรื่อยๆความสุขที่แท้จริงนี้ก็จะลบล้างความทุกข์ที่ไม่แท้จริงนี้ให้หมดไปจนไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยในจิตในใจเช่นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายในเบื้องต้นจิตของท่านก็ต้องทุกข์ทรมานกับการอยู่แบบขอทานคอยเป็นราชโอรสอยู่ในวัง มีความสุขกับลาบยศสรรเสริญ ส, สุขต่างๆเมื่อต้องสละลาบยศสรรเสริญ ส, สุขไปแล้วอยู่แบบขอทานบิณฑบาทตามมีตามเกิดอยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามถ้ำบ้างอยู่ตามเรือนร้างบ้าง <c oughs> ไม่ได้เป็นความสุขเลยมีแต่ความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความสุขขึ้น ทางจิตใจด้วยการเสียสละปล่อยวางลาบยศสารเสรินสุขต่างๆไปเมื่อปล่อยวางลาบยศสารเสรินสุขต่างๆไปแล้วความทุกข์ที่ติดอยู่กับลาบยศสลรเสรินสุขก็ไม่มีตามมาเช่นเดียวกันก็เหลือแต่ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายจนเห็นตางความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจึงสามารถตัดอุปทานความหลง ที่ยึดติดอยู่กับสภาวะธรรมเช่นร่างกายของเราไปได้ถ้าไม่เจริญปัญญาจะไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นถ้าได้เจริญปัญญาจะเห็นหลังจากที่จิตสง บ, บแล้ว แล้วได้เจริญปัญญาก็จะเห็นถ้าจิตยังไม่สงบแล้วเจริญปัญญาจะไม่เห็นจะเห็นก็เพียงชั่วแวบๆเดียวเท่านั้นในขณะที่เจริญปัญญาแต่จะไม่สามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่องเพราะการเจริญปัญญาเพื่อที่จะปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นจะต้องเจริญอย่างต่อเนื่อง แบบทุกลมหายใจเข้าออกเลยถึงจะสามารถเห็นได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้แต่ถ้าพิจารณาแบบเป็นครั้งเป็นขาวนั้นจะไม่เห็นได้อย่างต่อเนื่องจะไม่สามารถตัดอุปทานได้การจะพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องจิตก็ต้องมีสมาธิก่อน จิตต้องสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ต่างๆเข้ามารบกวนใจเพราะถ้าจิตไม่สงบนิ่งจะมีอารมณ์ต่างๆคอยมารบกวนใจทําให้ไม่สามารถคิดหรือทําอะไรได้อย่างต่อเนื่องดังที่เราได้ยินเสมอว่าไม่มีสมาธิเวลาไม่มีสมาธิจะทําอะไรมักจะทําไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอัน คิดอะไรก็คิดไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะคิดได้เดียวเดียวเดียวเรื่องอย่างอื่นก็มาฉุดลากไปแล้วก็เลยไม่สามารถคิดอะไรให้บรรลุลู่เรื่องได้เป็นชิ้นเป็นอันไปแต่ถ้ามีสมาธิแล้วก็จะสามารถคิดเรื่องที่กำลังคิดอยู่ได้อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จบรรลุลู่ล่วงไปตามที่ปรารถนาได้ การที่จะเจริญปัญญาเพื่อตัดอุปทานได้จึงต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะตัดอุปทานไม่ได้จะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาจะเห็นเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองก็จะไม่มีกำลังพอที่จะไปตัดอุปทานเช่นตัดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถ้าเราไม่ตัดตัดไม่ได้ ความกลัวแก่ความแก่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวความตายก็จะไม่หายไปจากใจคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันกลัวด้วยกันทั้งนั้นจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองขึ้นอยู่ที่ปัญญาที่มีอยู่ถ้ามีปัญญามากได้เห็นไตรลักษณ์มากก็จะมีความกลัวน้อย ถ้ามีปัญญาน้อยเห็นใจรักน้อยก็จะมีความกลัวมากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำสมาธิก่อนทำจิตใจให้สงบนิ่งให้ได้เสียก่อนให้รวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกตารณมเป็นอุเบกขาเพราะเมื่อจิตเป็นเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้วเวลาถอนออกมาจิตก็จะไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆมา รบกวนความโลภ ค, ความโกรธความหลงจะไม่มีมาลบกวนถ้ามีก็ไม่มีไม่มีความรุนแรงเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิตอนนั้นถ้าไม่มีสมาธิความโลภความโกรธความหลงจะมีความรุนแรงมากและจะมีความถี่สูงจะมาจะบุกมาคอยรบกวนจิตใจ คอยฉุดลากจิตใจให้ไปทำตามคำสั่งของความโลภความโกรธความหลงจนไม่มีเวลาว่างที่จะฟังเทศฟังธรรมที่จะเข้าวัดมารักษาศีล ม, มาปฏิบัติธรรมพ่อมัวแต่ไปหาความสุขจอมปลอมความสุขที่ไม่แท้จริงคือลาบยศสรรเสริญสุขต่างๆนั่นเองเราจึงต้องต่อสู้กับกิเลส ความโลภความโกรธความหลงต้องเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาเป็นผู้นำท่านทรงสอนให้เราเข้าวัดอยู่บ่อยๆเข้าวัดอยู่เรื่อยๆให้เราทำบุญทาทานให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเราอย่าให้สิ่งอย่างอื่นมาเป็นข้ออ้างไม่ให้เราทำเราควรจะกำหนดเวลาไว้เลยควรจะแบ่งเวลาไว้เลย เพราะเราสามารถแบ่งเวลาได้วันหนึ่งก็มีอยู่ถึง24ชั่วโมงเราแบ่งเวลาไปหลับไปนอนได้แบ่งเวลาไปทำงานเพื่อเล่งปากเล่มท้องได้แล้วก็แบ่งเวลาเพื่อมาปฏิบัติกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้แต่เราไม่แบ่งกันเท่านั้นเองส่วนใหญ่เราจะแบ่งให้เวลาให้กับกิเลสเสียมากกว่า แทนที่จะแบ่งเวลาให้กับธรรมะเรากลับไปแบ่งเวลาให้กับกิเลสเราก็เลยไม่ค่อยได้พบกับสิ่งที่ดีที่ธรรมะจะให้กับเราได้เรามักจะไปพบกับสิ่งที่กิเลสให้กับเราก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจความหวาดกลัวความกลัวความแก่ความเจ็บความตายการทัดท่าจากกัน ดังนั้นต่อให้เรามีมากน้อยเพียงร้อยก็ตามความกลัวเหล่านี้ก็จะไม่หมดไปจากจิตจากใจกลับจะมีความกลัวมากยิ่งขึ้นเพราะเรายิ่งมีมากเท่าไหร่เรายิ่งรักยิ่งหวงสิ่งที่เรามีมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นก็ยิ่งมีความกลัวมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นคนที่ไม่มีอะไรมักจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียนั่นเอง คนจนนี้ทุกน้อยกว่าคนรวยในเรื่องของความหวาดกลัวคนรวยนี่มีความหวาดกลัวมากกว่าความจนกมากกว่าคนจนเพราะคนจนไม่รู้ว่าจะไปกลัวอะไรเพราะสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่มีขโมยก็ไม่ต้องไปกลัวไฟก็ไม่ต้องกลัวเศรษฐกิจจะตกต่ำก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่มีมันมันไม่ได้ทำให้ ทรัพที่ตนเองไม่มีนั้นมันหายไปเพราะมันไม่มีจะหายนั่นเองแต่คนที่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความหวาดกลัวมากขึ้นไปเท่านั้นนอกจากว่ามีธรรมะมีปัญญาถ้ามีธรรมะมีปัญญาแล้วก็จะไม่หวาดกลัวต่อจะต่อให้มีมากน้อยเพียงไรต่อให้มีมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่ยุดไม่ติดนั่นเองมีก็จะเอาไว้ทําประโยชน์เอาไว้ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าไม่มีความจำเป็นกับตนเองช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความสุขขึ้นมาในจิตในใจทั้งผู้รับและผู้ให้ดังนั้นเราจึงควรแบ่งเวลาให้ถูกต้อง สิ่งไหนที่จําเป็นต้องทําก็ทําเช่นการทำหมากินก็ต้องทําการหลับนอนก็ต้องมีเวลาหลับนอนการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีเพราะจําเป็นต่อจิตใจแต่การไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปเล่นนั้นมันไม่จําเป็นไม่ได้ดื่มไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไม่ได้เที่ย ว, ไ ม, ไ, ไ, ม ไ, ยวไม่ได้ดู ไม่ได้เล่นอะไรต่างๆไม่ไม่ตายไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับร่างกายหรือจิตใจเลยแต่เรากับให้ความสนใจให้เวลากับสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุขสร้างความเจริญที่แท้จริงให้กับจิตใจถ้าเราปล่อยให้เวลาหมดไปกับการกับทำสิ่งเหล่านี้ การเที่ยวการเล่นการดูการฟังความเครื่องบันเทิงต่างๆเราก็จะเสียเวลาไปชีวิตที่มีค่าของเราก็จะหมดไปโดยไม่ได้สร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะติดกับเราไปเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเมื่อตายไปข้างหน้าแล้วก็จะไม่ได้ไปดีกว่าเดิมไปดีกว่าเก่า แต่จะไปแย่กว่าเก่าทั้งนั้นจึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้เราแบกเวลาไว้สำหรับการกระทำกิจนี้อย่าให้สิ่งอย่างอื่นมาเป็นเหตุให้เราอ้างว่าไม่มีเวลาทาบุญไม่มีเวลารักษาสิ่ ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะจะทำให้เราขาดทุนนั่นเองเพราะเราถูกหลอกถูกกิเลสของเรานั่นแหละหลอกถูกความหลงหลอกเพราะความหลงจะให้ความสำคัญต่อการแสวงหาราบยศสรรเสริญสุขมากกว่าการหาบุญหากุศลหาธรรมนั่นเองเราจึงต้องมีความหนักแน่นเราต้องกําหนด ตารางเอาไว้เลยแล้วพยายามปฏิบัติตามตารางนั้นให้ได้แล้วคอยคอยคอยติดตามดูว่าเราได้ทำตามตารางที่เราได้กำหนดไว้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ต้องแก้ไขเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วชีวิตของเราจะตกต่ำไปเรื่อยๆจะพบกับความทุกข์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะสังขารร่างกายของเราจะแก่มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะใกล้ความตายมากข้าไปเรื่อยๆเมื่อใกล้สิ่งเหล่านี้เข้าไปมากน้อยมากมากไปเรื่อยๆความทุกข์ความกังวลความหวาดกลัวต่างๆก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอง แต่ถ้าเราเข้าหาพระธรรมคำสอนศึกษาและปฏิบัติตามแล้วเราก็จะเข้าใกล้ความสุขความสบายใจมากขึ้นไปเรื่อยๆจะห่างไกลจากความกลัวต่างๆไปมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราปล่อยวางได้นั่นเองเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วเราจะไม่มีความหวาดกลัวกับอะไรทั้งสิ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่สามารถมากระทบกระเทือนจิตใจของเราได้นี่คือผลผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติตามไม่มีอย่างอื่นในโลกนี้ที่จะทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์จากความหวาดกลัวต่างๆได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการปฏิบัติตามเท่านั้นและไม่มี ใ, ใครสามารถจะทำให้กับเราได้ไม่มีใครสามารถจะช่วยเราได้มีเราเท่านั้นที่จะทำให้เราได้และช่วยตัวเราได้จึงขอให้เราอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอื่นใดอย่าไปหวังพึ่งอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อถึงเวลาแล้วพึ่งไม่ได้เมื่อถึงเวลาแล้วสิ่งที่พึ่งได้ สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือบุญและกุศลหรือธรรมะที่เราได้สร้างขึ้นมาในจิตในใจของเราจะปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท่ามกลางความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายท่ามกลางการพัดพากจากกันจะไม่สามารถมากระทบกระเทือนจิตใจได้เลยดังนั้นจึงขอให้เรา จงให้ความสำคัญต่อการเข้าหาพระธรรมคำสอนต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติเพราะจะทำให้เราได้พบกับความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้